สาธนากิจของหลวงพ่อแต่ถึงยังไงภาระาธนากิจขนาดไหนก็กเถอดนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าใครจะเป็นคิวต่อไปตัวนิราคิดคิวต่อไปพวกเราต้องได้คิดไปอยู่เสมอถ้าเราคิดจุดนี้ไว้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 ไม่ดูหน้าดูตาใครไม่ดูใครมีแต่โลภอยู่ตล อ, เล อ, ตลอดเหมือนตัวเองจะไม่ตายถ้าโกรธให้ก็โกรธถ้ารักใครก็รักจนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายอีกเหมือนกันถ้าระลึกถึงความตายเข้ามานึงมันหักรักหักหลงหักโลภหักโกดหักหลงในสงาสารดังนั้นพวกเราระลึกไว้อยู่เสมอนะ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 เอ่อมีแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะเรื่องไม่เป็นเรื่องอมันกลุ้มหลุมอยู่ในจิตใจแปลว่าเดือนนั้นขาดทุนฮะให้พวกเราคิดดูอย่างนั้นนะให้ดุกนึกย้อนดูนะในดึกนึกนึกย้อนดูตัวของเรานี่ยแหละเออปีไหนขาดทุนปีไหนกําไรเดือนไหนขาดทุนเดือนไหนกําไรวันไหนขาดทุนวันไหนกําไรน ถ้าพวกเราย้อนดูตัวของพวกเราอยู่บ่อยๆนะถ้าใ น, นช่วงไหนจะมันจะขาดทุนเอ้ยมันจะขาดทุนหรืวะนะอวะเราพยายามปรับปรุง อ, อย่าให้มันขาดทุนอะไรมันจะได้กำไรกำไรมันดีกว่าไม่ใช่เหรอถ้าเราทำขาดทุนมันก็ทำให้เรา เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตขาดทุนบ่อยๆบ่อยๆทุกวี่ทุกวัน ผลี่สูตรกันนะล้มสลายขาดทุนจะล้มสลาย อ, อสมสลายตายอีกต่างหากไปว่ า, าอะไรทํำยังไงีมันยังฟื้นตัวไม่ได้ถ้าล้มสลายขึ้นมากับฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็ยังดีเด็เ อ, อถ้าฟื้นตัวไม่ได้ตายขณะที่ล้มสลายเนะ่ยอันนั้นขาดทุนมากๆนะพี่น้องลูกหลานจตทายญาติโยกเพราะนั้นให้ประกอบคุณงามความดีให้ตรวจตราดูตนเอง